สันเพนแล้วท่านพระครูหลีกเร้นผู้คนไปปฏิบัติวิปัสนาตามลำพังในโบสถ์เพื่อสะสมประสบการณ์เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงนั่งภาวนาเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงท่านแผ่เมตตาให้สัพพสัตและเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงกำหนดลืมตาบูรุษสองคนเดินเข้าประตูโบสถ์มาคนหนึ่งเดินโตเปล่าอีกคนแบกหีบไปเคืองไว้บนบา่า เข้ามาในโบสถ์และคนแบกหีบพูดกับอีกคนว่าถึงวัดป่ามะม่วงแล้วนี่คือสมภารผมจะกลับละเขาวางหีบลงบอกท่านพระครูว่าหลวงพ่อชายผู้นี้เขาจะมาเรียนวิปัสสนาผมพบเขาที่บางนาเลยอาสาพามาส่งเขานั่งลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปบุรุษนั้นกราบสามครั้งเช่นกัน หากนั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงทักขึ้นก่อนโยมมาจากไหนล่ะผมชื่อนายบุญช่วยนามสกุลยิ่งพัฒนาครับตอบไม่ตรงคำถามยิ่งไปกว่านั้นท่านพระครูก็รู้ด้วยประสบการณ์ว่าเขาพูดเท็จไปอาบน้ำอาบท่าเสียก่อนจะมาเข้ากรรมฐานใช่ไหม งั้นก็ไปพักที่กุตติหน้าโบสถ์นั่นอาบน้าอาบท่าให้สบายแล้วค่อยมาที่นี่ท่านชี้ไปที่กุตติหลังที่นางสอิ่งหญิงสองร่างนางสองชาติสร้างถวายเป็นกุตติกรรมฐานหลังแรกของวัดป่ามะม่วงเมื่อบุรุษนั้นแบกหีดเดินไปยังกุตติท่านพระครูจึงเดินไปบอกญาติโยมที่ศาลา ให้ปฏิบัติกันไปตามลำพังก่อนเพราะท่านจะต้องใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงในการสงเคราะห์ชายแปลกหน้าผู้นั้นเมื่อท่านเดินมานั่งอย่างอาสนะในโบสถ์อีกครั้งบุรุษนั้นก็เดินเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าท่าทางอิดโรยดูสดชื่นขึ้นหลังจากได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้ว เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบุรุษผู้นี้พูดเท็จตั้งแต่เรื่องชื่อและนามสกุลครั้นจะให้เขาเล่าความเป็นมาให้ฟังเขาก็ต้องโกหกอีกจึงต้องออกอุบายว่าก่อนจะเรียนวิปัสสนาอาตมาจะให้โอววาดก่อนขอให้ตั้งใจฟังแล้วท่านจึงพูดเรื่องที่ตรงกับเรื่องของเขา คนบางคนพอมีปัญหาก็คิดจะฆ่าตัวตายไม่ได้รู้เลยว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุษย์สัพิลาโพทำไมถึงต้องคิดฆ่าตัวตายตายแล้วจะหมดปัญหาหรือเปล่า น่าจะคิดแก้ปัญหาวิปัสสนานี่วิเศษนักสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นการจะเจริญวิปัสสนาจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลให้ครบทุกข้อใครที่ละเมิดศีลแม้เพียงข้อเดียวคนนั้นจะปฏิบัติไม่ได้ผล คำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังร้องไห้ภิกษุรูปนี้พูดราวกับรู้ความในใจของเขาอ้าวทำไมถึงร้องไห้ล่ะโยมมีเรื่องอะไรในใจหรือท่านถามทั้งที่รู้เรื่องราวของเขาโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกประสบการณ์ที่สะสมไว้มาก ทั้งจากสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำให้ท่านสามารถรู้ในสิ่งที่คนปกติธรรมดาไม่รู้มีครับหลวงพ่อผมขออนุญาตเล่าถวายผมยอมจำนวนหลวงพ่อต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆถึงได้รู้เรื่องราวของผมทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนบูรุษนั้น พูดทั้งน้ำตาชีวิตที่หมดหวังกลับมีความหวังขึ้นมาเมื่อได้ผ่านพบผู้วิเศษเช่นภิกษุรูปนี้อาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหอกโยมเพียงแต่อาตมามีประสบการณ์มากกว่าคนปกติธรรมดาทุกคนสามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ได้หากตั้งใจปฏิบัติไหน เล่าไปสิว่าเรื่องไปยังไงมายังไงห้ามโกหกนะถ้าโกหกอาตมาจะไม่ช่วยครับผมไม่โกหกแล้วท่านหูทิพตาทิพออกอย่างนี้ผมจะโกหกได้อย่างไรท่านต้องช่วยผมนะครับเขาก้มลงกราบสามครั้งด้วยอาการนอบน้อมเล่าเรื่องของโยมเถอะ ประเดียวอาตามาจะต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมบนศาลาสำหรับท่านทุกเวลานาทีมีค่าเสมอครับผมจะเล่าเดี๋ยวนี้คือผมชื่อในใสนามสกุลรุ่งเรืองพัฒนาบ้านเดิมอยู่จังหวัดแพร่แต่มาทำงานที่โรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ผมเรียนจบแค่มัธยม6ตอนมาทำงานใหม่ๆ ผมมีตำแหน่งเป็นเสมียนผู้จัดการเมตตาผมมากเลื่อนตำแหน่งให้เรื่อยๆกระทั่งเป็นหัวหน้าพัสดุต่อมาผู้จัดการกับรองผู้จัดการไม่ถูกกันรองผู้จัดการฟ้องผู้จัดการในข้อหาทุจริตและเขาขอให้ผมเป็นพยานทำให้ผมอึดอัดมากเพราะถ้าผมให้การไปตามความจริงผู้จัดการซึ่งมีบุญคุณกับผมก็จะต้องติดคุกแต่ถ้าผมเข้าข้างผู้จัดการ ก็เท่ากับผมรู้เห็นเป็นใจกับท่านกงรัฐบาลผมจึงตกที่นั่งลำบากแก้ปัญหาไม่ตกก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายท่านพระครูขัดขึ้นครับเพราะผมมองไม่เห็นทางที่จะแก้ปัญหาได้ผมมีลูกเล็กๆสามคนคนที่สี่ยังอยู่ในท้องจะคลอดอีกสองเดือนข้างหน้าผมตัดใจบอกลาลูกเมียว่า จะไปติดต่อธุระที่กรุงเทพพวกเขาก็ไม่สงสัยแต่ตัวผมนั้นเหมือนใจจะขาดกลุ้มอกกลุ้มใจข้าวปลาทานไม่ได้ผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่หีบนั่งรถยนต์มาลงที่สถานีรถไฟตะพานหินตีตัวรถไฟจากตะพานหินไปกรุงเทพแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดพอรถถึงสถานีลก บ, บุรีผมก็แบกหีบลงจากรถคิดว่าไม่ไปกรุงเทพแล้ว ขอตายที่ลบบุรีนี่แหละลงจากรถไฟแล้วผมเรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกพอตกกลางคืนจึงนั่งเขียนหนังสือลาตายผมเขียนบอกไว้อย่างละเอียดว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนและทำไมถึงต้องมากินยาตายที่โรงแรมแห่งนี้เขียนไปผมก็ร้องไห้ไปข้าวปลาก็กินไม่ลงแม้จะหิวแต่ก็กินไม่ลงกินกาแฟเย็นไปแก้วเดียว ในหนังสือผมขอร้องทางโรงแรมแจ้งให้พัญญาผมทราบด้วยผมนั่งเขียนตั้งแต่หัวค่ำกระทั่งสองยามจึงเขียนเสร็จจากนั้นก็นำยาฆ่ า, มาแมลงที่เตรียมมาจากบ้านเทใส่แก้วไฟฟ้าในโรงแรมส่องแสงริบหรี่ไม่สว่างสวยัยเหมือนที่เพชรบูรณ์บ้านผมผมนั่งชั่งใจยอยู่นานกว่าจะยกแก้วยาพิษขึ้นดื่มพอขอบแก้วจรดริมฝีปาก ไฟก็สว่างเพิ่บขึ้นผมตกใจยาหกไปหน่อยหนึ่งเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฟ้าเป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งคนคงใช้ไฟน้อยลงไฟจึงสว่างขึ้นผมก็ตั้งสติวางแก้วยาลงนึกตำหนิตัวเองว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้พ่อเราปู่เราก็เป็นมรคนายกวัดใจบุญสุนทานเรามาฆ่าตัวตายแบบนี้ ก็จะเสียชื่อเสียงวงตระกูลแล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะไปหาสำนักวิปัสสนาไปปฏิบัติที่สำนักสักระยะหนึ่งเพื่อจะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ผมก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นตลอดคืนไม่ได้นอนเลยพอรุ่งเช้าผมก็จ่ายค่าโรงแรมออกจากโรงแรมเดินแบกหีบเสื้อผ้ามาที่ท่าโพยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดี บังเอิญมีรถกำลังจะออกจากท่าโพไปสิงบุรีผมก็เลยส่งหีบให้กระเป๋ารถแล้วก็ขึ้นรถมากับเขาเสียค่าโดยสารหนึ่งบาทคงจะเป็นบุญวาสนาของผมที่ทำให้รถมาเสียตรงบางนาเขาก็ช่วยกันแก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้ผมจึงลงจากรถและขอให้กระเป๋ารถส่งหีบบนหลังคาตามมาแบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟ สั่งโอเลี้ยงมาดื่มแก้วหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟาถามว่าจะไปไหนผมก็บอกไม่รู้คนที่แบกหีบมาส่งโยมนั่นใช่ไหมครับผมก็นั่งคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็เกิดถามเขาว่ารู้จักสำนักวิปัสนาที่ไหนบ้างเขาบอกวัดป่ามะม่วงไงจะพาไปเอาไหมขอค่าแบกหีบ5้าบาทแล้วจะส่งถึงวัด ผมก็ตกลงเขาก็ขอให้จ่ายค่าจ้างก่อนแล้วจึงพามาที่นี่แหละครับเอาละ่ะเป็นอันว่าโยมมาถูกวัดแล้วที่นี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโยมมีความเพียรมากน้อยเพียงใดอย่าลืมนะ วิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้แต่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่มาทำจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำโยมพร้อมที่จะปฏิบัติหรื อ, อยังพร้อมแล้วครับผมต้องปฏิบัตินานเท่าไหร่ครับถึงจะแก้กรรมได้อันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่า โยมมีบุญเก่ามาบ้างไหมและที่สำคัญที่สุดคือกรรมฐานปัจจุบันซึ่งได้แก่ความเพียรพยายามของโยมเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่ที่นี่เจ็ดวันรักษาศีล8ปอาตมาจะให้กรรมฐานเดี๋ยวนี้จากนั้นท่านพระครูจึงให้เขาอาราธนาอัตศีล ท่านให้ศีลและให้กรรมฐานเสร็จแล้วจึงบอกเขาว่าเอาละให้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปปกติแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอาตมาจะให้เดินและนั่งอย่างละส0สบนาทีแต่ในกรณีของโยมถือว่ามาปฏิบัติแก้กรรม ต้องใช้ความเพียรมากเป็นพิเศษจึงให้เดินและนั่งอย่างละชั่วโมงในวันที่เริ่มต้นและจะเพิ่มขึ้นในวันต่อต่อไปเมื่อนั่งภาวนาเสร็จขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้จัดการรองผู้จัดการตลอดจนทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้เขาจงมีความสุขภายในเจ็ดวัน ก็จะรู้ผลครับผมจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดผมพบทางสว่างแล้วบุญบันดาลให้มาพบหลวงพ่อผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปท่านพระครูแนะนำเรื่องการปฏิบัติจนเข้าเข้าใจเป็นอันดีแล้วจึงปล่อยให้เข้าปฏิบัติตามลำพังอยู่ในโบสถ์ส่วนท่าน ต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมที่ศาลาเมื่อท่านไปถึงก็พบแม่ชีก้อนทองรออยู่เบื้องหลังแม่ชีเป็นสตรีวัยกลางคนอายุราวๆห้าสิบกับลูกสาววัยยี่สิบแม่ชีกราบสามครั้งแล้วจึงเอ่ยว่าหลวงพ่อท่านจะขอลาหลานฉันมารับไปอยู่ด้วย ฉันอยากให้หลานได้บุญด้วยการปลนนิบัติรับใช้ฉันในบ้านปลายชีวิตจึงตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะที่วัดนี้ท่านหมดห่วงแล้วเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ต้นพิกุลกลับไปสวรรค์ฉันก็ไม่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาอีก ภาระหน้าที่ของฉันสิ้นสุดลงแต่การปฏิบัติกรรมฐานยังดำเนินต่อไปฉันจะไปสอนพวกหลานนให้เขาปฏิบัติกันด้วยจ้ะขออนุโมทนาแม่ชีคิดถูกที่อยากให้พวกหลานหลานได้บุญ ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้วไม่มีจริงๆแล้วนี่แม่ทีจะไปอย่างไรหลานเขาเช่าเรือมารับจ้ะฉันต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ให้อาศัยอยู่บนศาลาหลังนี้ฉันได้รับประโยชน์มหาศาล จากการอยู่ที่นี่ขอให้หลวงพ่อจงเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกพูดจบแม่ชีวัยเกือบร้อยก็ก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งหลานสาววัยห้าสิบกับเหลนวัยยี่สิบ ก็กราบลาท่านสมภารด้วยในายใส่รุ่งเรืองพัฒนาปฏิบัติกรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะเชื่อมั่นว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ท่านสมภารอนุญาตให้เขาปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ได้ และยังให้เพิ่มเวลาในการเดินและนั่งขึ้นวันละ20สนาทีเวลาผ่านไปหวันเขาจึงเดินจงกรมและนั่งอย่างละสองชั่วโมง40สนาทีท่านพระครูให้การสอบอารมณ์อย่างใกล้ชิดและท่านก็รู้ว่าเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้าถึงขั้นสามารถแก้กรรมได้หลังจากสอบอารมณ์เสร็จเขากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับ พรุ่งนี้ผมต้องน้ำมาสการลาผมปฏิบัติมา6วันแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดและ ว, วันสุดท้ายอ๋อนี่จะครบเจ็ดวันแล้วหรืองั้นพรุ่งนี้โยมก็ต้องเดินและนั่งให้ได้อย่างละสามชั่วโมงนะสิครับพรุ่งนี้ผมจะมาปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงสิบโมงเช้าซึ่งเท่ากับปฏิบัติหกชั่วโมงติดต่อกัน ผมสบายใจขึ้นมากไม่วิตกกังวลเรื่องนั้นแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมปลงตกแล้วครับเขาพูดอย่างน่าชื่นตาบานดีมากแสดงว่ายมปฏิบัติถึงขั้นเอาเถอะพรุ่งนี้ก็รู้ผลรับรองว่ายโยมแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนท่านบอกเขาเพราะเห็นว่าวันพรุ่งนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นนายไซตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งใจไว้เขาเดินจงกรมเป็นเวลาสามชั่วโมงจนรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างแข็งและเกรง็งแล้วจึงนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออีกสามชั่วโมงคลั้นครบตามกำหนด ครันครบตามเวลาที่กำหนดจึงแผ่เมตตาไปให้บุคคลต่างๆดังที่ปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจากนั้นจึงกลับไปยังกุฏิที่พักจัดการเก็บข้าวของและกวาดถูทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วเขาเดินไปตลาดปากบางเพื่อซื้อตะเกียงเจ้าพายุมาถวายวัดเขามาได้รับแสงสว่างจากวัดแห่งนี้จึงต้องการจะตอบแทนด้วยการให้แสงสว่างกลับจากตลาด คงได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเสร็จจากรับประทานอาหารก็จะนมัส ก, การลาท่านสมภารเพื่อกลับเพชรบูรณ์ฉันพัตหารเพงเสร็จแล้วท่านพระครูเดินมาที่โบสถ์เพื่อปฏติบัติวิปัสสนาหากครั้งนี้ท่านเดินและนั่งอย่างละ30นาทีเพราะรู้ว่า จะมีแขกมหาในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าบุรุษวัยใกล้เจเดินเข้ามาในโบสถ์ตามด้วยคนแบกหีบเป็นเวลาที่ท่านพระครูแผ่เมตตาเสร็จและกำหนดลืมตาท่านจำคนแบกหีบได้แต่บุรุษอีกคนที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นมาก่อน หลวงพ่อครับลุงคนนี้เข้ามาตามหาหลานเคยสงสัยจะเป็นคนเดียวกับที่ผง ม, มาส่งเมื่อเจ็ดวันกอ่อนเขาพูดกับท่านพระครูหลังจากวางหีบและกราบสามครั้งแล้วบุรุษที่มาด้วยกราบเป็นจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วเรียนท่านว่ากระผมมาตามหาหลานเคยครับคนนั้นใช่ไหม ท่านพระครูชี้ไปที่นายใส่ซึ่งกําลังเดินเข้ามาที่ประตูโบสถ์ท่านพระครูชี้ไปที่นายใส่ซึ่งกําลังเดินเข้าประตูโบสถ์มามือข้างขวาฮิ้วตะเกียงเจ้าพายุมาด้วยใช่ครับล้านเคยกระผมจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาพูดอย่างยินดี นายใส่กราบพระแล้วจึงไหว้บุรุษวัยใกล้เจ็ดสิบพลางถามลุงมาอย่างไรครับนี่ก็มาตามหาเองนะสิเจ้านายทางกรุงเทพเขาโทรเลขด่วนมาบอกให้เองไปพบที่กรุงเทพเพื่อเหตุการ์ถ้าไม่ไปภายในเจ็ดวันจะต้องถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันทุจริตแล้วลุงมาอย่างไรครับรู้ได้อย่างไรว่าผมอยู่ที่นี่ ลุงก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพอเมียเองได้รับโทรเลขเขาก็บอกไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะกรุงเทพมันกว้างมากก็เลยขอให้ลุงช่วยตามให้ทีนี้ลุงก็เคยปฏิบัติวิปัสนาสมัยที่เป็นพระอ๋อโยมเคยเป็นพระหรือบวชอยู่กี่พรรษาล่ะท่านพระครูถาม 15, สิบห้าพรรษาครับกระผมเจริญวิปัสนาพอศึกแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง ยังคงปฏิบัติทุกวันเพียงแต่ไม่เคร่งครัดเหมือนตอนเป็นพระวิปัสสนามีประโยชน์มากนะักครับกระผมปฏิบัติอยู่สองชั่วโมงเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วอธิษฐานจิตว่าขอให้พบหลานเขยรุ่งเช้ากระผมก็เข้ากรุงเทพโดยนั่งรถยนต์จากเพชรบูรณ์มาขึ้นรถไฟที่ตะพานหินแล้วตีตัวเข้ากรุงเทพแต่ไม่รู้เป็นอย่างไรพอถึงลบบุรีทาให้กระผมอยากลง จะว่าบุญบัรดาลก็คงจะได้กระผมแบกหีบลงจากรถแล้วเรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกข้างที่โรงแรมคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็เดินแผกหีบไปที่ทา่าโพไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนบางเอิญรถโดยสารกำลังจะออกกระผมก็ส่งหีบให้กระเป๋าแล้วขึ้นรถเสียค่าโดยสารหนึ่งบาทรถวิ่งมาถึงบางนาก็เกิดเสียวิ่งต่อไปไม่ได้ เขาก็ช่วยกันแก้แก่อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้กระผมเลยลำคาญจึงลงจากรถและบอกกระเป๋าช่วยส่งหีบบนหลงังคาลงมาให้กระผมก็แบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอนตินมาดื่มแก้วหนึง่งก็คุยกับเจ้าของร้านถามเขาว่ารู้จักวัดที่สอนวิปัสสนาบ้างไหมเขาก็บอกมีวัดป่ามะม่วงถ้าจะให้พาไปต้องจ่ายห้าบาทกระผมก็จ่ายให้เขาพอจ่ายเงินเสร็จ รถที่กระพมโดยสารมาก็วิ่งได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้แก้กันอยู่ตั้งนานเหมือนวันที่ผมมาเลยครับพอจ่ายเงินห้าบาทให้เจ้าของร้านรถก็วิ่งได้ทันทีเหมือนกันนายใซ่เห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้โหขาจ้างพามาที่นี่แพงจังนะตั้งห้าบาทแพงกว่าค่ารถจากลบบุรี มาสิงบุรีเสอีกท่านตั้งใจแต่ว่าเจ้าของร้านกาแฟซึ่งนั่งฟังเรื่องราวอยู่แม้หลวงพ่อครับค่าพามาน่ะไม่แพงหรอกแต่แพงที่ค่าแบกหีบตั้งหลายกิโลนะครับอะไรที่ว่าหลายกิโลหีบหรือระยะทางทั้งสองอย่างแหละครับหีบกนหนักหลายกิโลกรัมระยะทางก็หลายกิโลเมตร5บาทไม่แพงหรอกครับ ตกลงไม่แพงก็ไม่แพงแล้วหันไปพูดกับลุงหลานคู่นั้นว่าเอาละโยมหมดเคราะห์หมดโศกแล้วพักที่นี่คืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ค่อยพากันเดินทางเข้ากรุงเทพอัตมารับรองพันเปอร์เซนว่าทุกอย่างเรียบร้อยเพราะบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญ มาตลอดเจ็ดวันปฏิบัติต่อให้ครบเจ็ดวันนะนี่เพิ่งได้หกวันครึ่งเท่านั้นครับหลวงพ่อผมขออนุญาตถวายตะเกียงเจ้าพายุคิดว่าอีกไม่นานไฟฟ้าคงมาถึงนะครับในใายไซรับคาแล้วนายไซรับค ำ, แ ล, บคำแล้วจึงถวายตะเกียงเจ้าพายุแด่ท่านสมภาร เห็นเขาว่าปีหน้าจะมาก็ต้องรอกันไปเอาละโยมพักกับหลานที่กุฏินั่นแหละตามสบายนะอาตา ม, มาจะต้องไปสอบอารมณ์ญาติโยมที่ศาลาพาลุงไปทานข้าวด้วยคงหิวแล้วท่านบอกในใ่ส่วนเจ้าของร้านกาแฟก้มลงกราบท่านสามครั้งพร้อมบอกลา